พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนแผนที่หรือมักคุเทศผู้นำทางนำทางผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญที่ยั่งยืนที่ถาวร ชีวิตของพวกเราตอนนี้อาศัยความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ไม่ถาวรคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องมีวันเสื่อมลงไปและหมดไปความสุขที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งคนพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันเสื่อมไปจากใจของเราเป็นความสุขที่พวกเราสามารถยึดไว้เป็นที่พึ่ง ได้ตลอดไปไม่เหมือนกับความสุขของทางร่างกายเพราะร่างกายจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปความสุขที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาให้กับเราก็จะ เสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะหมดไปในที่สุดถ้าเราไม่มีความสุขทดแทนคือความสุขทางใจเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายจะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าเรามีความสุขทดแทนคือความสุขใจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยความสุขทางร่างกายแล้วถ้าเรามีความสุขทางใจ ความสุขทางใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายและก็จะอยู่กับใจไปตลอดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับร่างกายความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเวลาร่างกายเสื่อมสภาพไปหมดสภาพไป ความสุขเหล่านั้นก็หมดสภาพไปใจที่พึ่งความสุขเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าใจมีความสุขทางใจความสุขทางใจนี้จะอยู่กับใจไปตลอดจะไม่เสื่อมไม่หมดไปตามความเสื่อมของทางร่างกาย เวลาร่างกายเสื่อมใจที่มีความสุขใจก็จะไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าที่ในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่มีความสุขทางร่างกายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างยิ่งใหญ่ จำต้องออกไปหาความสุขทางใจเพราะหลังจากที่ได้ทรงเห็นความแก่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยและเห็นความตายก็ทำให้พระองค์ทรงเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้ถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนก็ตามระดับของ พระราชโอรสมีประสาทสามฤดูมีผู้มาให้การรับใช้บำรุงบำรเรย่อยามากมายตลอดเวลาก็มีวันที่จะต้องเสื่อมไปหมดไปพระองค์จึงทรงสละความสุข ทางร่างกายไปเพื่อจะได้ไปสร้างความสุขทางใจความสุขที่ได้จากการออกไปบาเพ็ญเป็นสมณะนักบวชหลังจากที่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นนักบวชพระองค์ก็ทรงหูตาสว่างขึ้นมา เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นโทษของการติดอยู่กับความสุขทางร่างกายเพราะร่างกายจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเห็นคุณของการไปบำเพ็ญอยู่แบบนัก บ, บวชเพื่อที่จะได้ความสุขทางใจที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไป หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงสละราชสมบัติและออกบำเพ็ญอยู่ประมาณหกปีพระ อ, องค์ก็ได้ทรงพบความสุขที่ถาวรที่ยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปรลมมัสุขคือความสุขของพระนิพพานนิ บ, บานังปรมังสุขขัง พระ อ, องค์ก็มีแต่ความสุขภายในพระทัยของพระ อ, องค์ตลอดเวลาถึงแม้ว่าพระบรรกายจะอดอยากขาดแคลนจะอยู่แบบขอทานก็ตามแต่ความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายนั้นไม่มีพลังที่จะเข้ามาลบล้าง ความสุขที่ได้จากพระนิพพานเลยหลังจากนั้นพ่อก็ทรงคิดถึงสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายก็ทรงมีความปรารถนาที่จะ สงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้หลุดออกจากความทุกข์ที่ต้องอาศัยความสุขของทางร่างกายให้ได้มาพบกับความสุขทางจิตใจองจึงสละเวลาที่ทรงเหลืออยู่ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกัน พยายามใช้เวลานี้เผยแผ่สั่งสอนวิธีสร้างความสุขทางใจให้แก่สัตว์โลกที่มีความสนใจมีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะที่จะปฏิบัติที่จะสร้างความสุขทางใจนี้ให้เกิดขึ้นมา จึงปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากพระอาหารหันตสาวกก็คือผู้ที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขทางใจ พอนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็ได้พบกับความสุขเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเผยแผ่ความสุขนี้ไปให้แก่ผู้อื่นอีกต่อนหนึ่งจึงทำให้พระพุทธศาสนานั้น จเจริญกว้างใหญ่ไพศาลเผยแผ่ไปได้ก่เผยแผ่ไปแก่ผู้ที่ไม่รู้เป็นจำนวนมากและทำให้ผู้ที่ไม่รู้เหล่านั้นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขที่แท้จริงมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าททำคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าจะผ่านการเวลามาถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ความจริงของคำสอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้หายไปผู้ใดน้อมเนวเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญมาปฏิบัติก็จะได้พบกับความสุขแบบเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้า และพระอาลหันตสาวกได้พบกันอย่างแน่นอนขอให้มีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนและขอให้มีวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ผลที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างแน่นอนไม่ยังไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่ควรมีความลังเลสงสัยว่ามรรคผลนิพพานนี้ยังมีอยู่หรือไม่เพราะมรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลผนิพพานนี้จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกาบเวลาว่าจำเป็นจะต้องบำเพ็ญในสมัยพุทธกาลเท่านั้นถึงจะสามารถบรรลุ มักผล่ผ่านได้อยู่ที่ศรัทธาความเชื่ออยู่ที่ความเพียรวิริยะอุตสาหะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้ามีความเชื่อแต่ไม่มีความเพียร ผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาต้องเชื่อแล้วนำเอาสิ่งที่เชื่อนี้ไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลอย่างแน่นอนจึงอยู่ที่ผู้มีศรัทธามีความเชื่อที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วว่าวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจนี้สร้างอย่างไรถ้านำเอาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะได้ผลอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนผลเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญคือการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่เต็มที่ผลก็จะไม่เต็มที่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติผู้ที่มีความปรารถนาที่จะได้ความสุขอันยิ่งใหญ่นี้มาทดแทนความสุขที่จะต้องหมดไปในอนาคตคือความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จําเป็นที่จะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบําเพ็ญกับการปฏิบัติสร้างความสุข ทางใจขึ้นมาให้ได้ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางการบำเพ็ญการสร้างความสุขนอกจากความเกียดคร้านหรือความกลัวความทุกข์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้นในขณะที่บำเพ็ญ อุปสรรคมีอยู่เท่านั้นอยู่ที่ความเกลียดร้อนอยู่ที่ความกลัวความทุกข์ยากลาบากที่จำเป็นที่จะต้องอยู่แบบเรียบง่ายเพราะการอยู่แบบสุขอย่างสบายนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมรรคผลนิพพานนั่นเอง ผูที่ปรารถนามรรคผลนิ้พานจำเป็นจะต้องอยู่แบบสมถะเรียบง่ายจำเป็นที่จะต้องไม่อาศัยความสุขทางร่างกายต้องสละความสุขทางร่างกายสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปถึงจะสามารถสร้างความสุข ทางใจขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าปรารถนาความสุขอันนี้ก็ต้องยอมเสียสละความสุขที่ไม่ถาวรคือความสุขทางร่างกายนี้ไปเพื่อจะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่นั่นเอง ถ้ายัางรักพี่เสียดายน้องอยู่ความสุขทางใจก็อยากได้ความสุขทางร่างกายก็เสียดายมันก็จะทำให้การบาเพ็ญ น, นี้ไม่เป็นไปได้อย่างเต็มที่ไม่ได้เป็นไปแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีติปฏิปันโนเมื่อความเพียรไม่เป็นดังนี้ ผลก็จะไม่เป็นผลก็คือมรสีผลสีนิพานหนึ่งก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาผู้บำเพ็ญจึงต้องมองไปที่ผู้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาลันตสาวกทั้งหลายต้องดูว่าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านจึงได้ผลเหล่านั้นขึ้นมา ผลที่พวกเราปรารถนากันเราก็ต้องบำเพ็ญอย่างนั้นเราถึงจะได้ผลอย่างนั้นถ้าเราบำเพ็ญแบบที่เราบำเพ็ญกันอยู่คือแบบรักพี่เสียดายนอ้องความสุขทางร่างกายก็ยังเสียดายความสุขทางใจก็อยากได้ก็แบ่งไปคนละครึ่งครึ่งหนึ่งก็ไปหาความสุขทางร่างกาย อีกครึ่งหนึ่งก็ไปหาความสุขทางใจก็จะได้แบบครึ่งๆกลางๆงจะไม่ได้ความสุขทางใจอย่างเต็มที่ความสุขทางร่างกายก็จะไม่ได้อย่างเต็มที่เหมือนกันเราต้องชั่งน้าหนักดูว่าความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนี้อย่างไหนสำคัญกว่ากัน ถ้าใช้เหตุใช้ผลก็เห็นกันชัดๆว่าความสุขทางใจนี้สําคัญกว่าความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายมีแต่จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับตามกําลังของร่างกายที่จะสามารถหามาได้ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยชาาความสามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็จะ ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะหาความสุขทางร่างกายได้เลยแต่ความสุขทางใจนี้จะไม่ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าไม่ได้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขันนี้ความสุขทางใจนี้อาศัยการบําเพ็ญการปฏิบัติธรรมซึ่ง เป็นธรรมที่อยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสามารถบำเพ็ญได้ไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าเวลาร่างกายจะเป็นอย่างไรเวลาร่างกายแก่ก็บำเพ็ญได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็บำเพ็ญได้เวลาร่างกายจะตายก็บำเพ็ญได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงกัน ต้องช่างน้ำหนักกันเพื่อที่เราจะได้เลือกทางเดินที่ถูกต้องแล้วเราจะได้บำเพ็ญกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องมารักพี่เสียดายน้องความสุขทางร่างกายนี้ถ้ามองถึงอนาคตของมันแล้วมันก็จะต้องมีวันจบมีวันสิ้น ก็ให้มันจบให้มันสิ้นเสียแต่วันนี้เลยไม่ดีเลยเพื่อเราจะได้เอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปบำเพ็ญไปสร้างความสุขทางใจที่ถาวรที่จะไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไม่ดีกว่าอย่าไปรอให้มันถึงเวลาที่ร่างกายหมดสภาพแล้วเพราะตอนนั้นก็จะไม่สามารถมาบำเพ็ญ สร้างความสุขทางใจได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารากันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราลำเลึกถึงเทวทูตอยู่เรื่อยๆให้เราลมลึกถึงความแก่อยู่เรื่อยๆให้ล้มเลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆให้ล้มเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเป็นสิ่งที่กำลังคืบอลานเข้ามาหาเรา ได้เข้ามาทุกขณะทุกขณะเรายังประมาทนอนใจหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่หรอเราไม่รีบหาความสุขทางจิตใจกันเหรอือถ้าเป็นเรือก็คือเรือที่เราอยู่นี้มันกําลังจะจมเราไม่เปลี่ยนเรือเหรอือมีเรือที่เราสามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้เราไม่เปลี่ยนกัน พอเรือจมแล้วมันจะไม่มีเหลือเปลี่ยนพอเวลาร่างกายแก่เจ็บหรือตายจะไม่สามารถมาบําเพ็ญได้พอในเบื้องต้นก็จําเป็นที่จะต้องลากสังขารร่างกายนี้ไปอยู่วัดไปอยู่ในสถานที่มีการศึกษามีการปฏิบัติเพื่อจะได้รู้วิธีสร้างความสุขทางใจขึ้นมา พอาสามารถสร้างความสุขทางใจได้แล้วก็ไม่ต้องอาศัยสังขารร่างกายนี้อีกต่อไปร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ใจก็สามารถสร้างความสุขทางใจได้เสมอแต่ในเบื้องต้นนี้ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายนี้พาไปสู่สถานที่ที่มีการศึกษามีการปฏิบัติ เพื่อที่จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติสร้างความสุขทางใจด้วยธรรมต่างๆพอมีธรรมต่างๆมาสร้างความสุขภายในใจได้แล้วการที่จะต้องใช้ร่างกายนี้ก็หมดไปอย่างเวลาที่เราเริ่มฝึก ข, ขาดใหม่ๆเราก็ต้องไปตามวัดวา สถานที่ปฏิบัติไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไปปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดธรรมที่จะมาสร้างความสุขให้กับใจก็คือสติการเดินจงกรมการนั่งสมาธินี้ในเบื้องต้นก็เพื่อสร้างสติขึ้นมา เพราะสติจะเป็นเครื่องมือที่จะกำกับใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองใจเป็นเหมือนเชือกที่เวลาเราอยากจะจับลิงเข้ากลงลากลิงเข้ากลงเราก็ต้องเอาเชือกนี้ไปคล้องคอลิงถ้ามีเชือกแล้วเราก็สามารถดึงเอาเชือกนี้ไปปลูกคอลิงแล้วก็ลากตัวลิงให้เข้าไปในกลงได้ถ้าไม่มีเชือก ต่ไปวิ่งไล่จับเริงนี้ไล่จับไปจนวันตายก็จับมันไม่ได้เพราะมันเร็วกว่าใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเริงเหมือนกันการที่จะทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมานี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีเชือกไว้จับใจเพื่อให้ใจเพื่อดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ เชือกที่จะใช้ดึงใจให้เขาสู่ความสงบนี้ก็คือสติจํเาเป็นที่จะต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆที่จะคอยคิดถึงเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องใกล้เรื่องไก ล, กลบ้าง เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความคิดอยู่ก็เหมือนกับไม่มีสติผูกใจดึงใจไม่มีเชือกผูกคอลิงไว้ก็จะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้จำเป็นจะต้องมีสติมีเชือกคอยดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันเป็นที่ตั้งของความสงบของใจนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงวิธีสร้างสติอยู่ถึงสี่สิบวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบกรรมฐานสี่สิบนี้ก็คือวิธีสร้างสติด้วยวิธีด้วยอุบายต่างๆกันในกลุ่มของอนุสติก็มีสิบ อุบายด้วยกันสิบวิธีด้วยกันที่จะสามารถดึิงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อนุสติก็คือให้เราเลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็พยายามให้เราเลิกอยู่กับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาเช่นพุทธานุสติก็ให้ลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าจะลำเลึกถึงพระพุทธคุณก็ได้เช่นการเจริญบทพระพุทธคุณ อิติปิโสไปไปในใจเพื่อที่จะกำจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อที่ใจจะได้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถ้ามีการเจริญพระพุทธคุณอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่หรือถ้าจะ ลำเลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวก็ได้ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าทำมานุสติก็จะรับถึงนามของพระธรรมคําสอนก็คือธรรมโอธรรมโมไปหรือจะลําลึกถึงพระธรรมคนก็ได้ ว่าขาโตภะวตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกก็ให้ท่องไปภายในใจเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะใช้สังขานุสติก็ได้ให้รำลึกถึงพระสังฆคุณเช่นสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนญาญะ ป, ปฏิปันโน หรือจะลำลึกถึงชื่อของพระสงฆ์พระสง์ก็ได้คือสังโคสังโคไปหรือจะลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันไปก็ได้พุทโทธธรรมโมสังโคอันนี้เป็นอุบายที่จะดึงใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ใจก็จะไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ ลอยไปตามความคิดปรุงแต่ ง, งต่างๆถ้าใจไม่ลอยไปลอยมาใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าร่างกายนั่งอยู่เฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเจริญสติด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือจะใช้อานาปนาสติ ก็คือการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้การเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี้น่าจะเหมาะกับเวลาที่นั่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ทําอะไรเช่นขณะนั่งอยู่ในท่าสมาธิก็กําหนดดูลมเข้าลมออกไปลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจออกก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับลม ให้รู้เฉยๆให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆถ้าย่ายถ้าไม่สามารถตั้งเกาะติดอยู่กับลมได้ก็อาจจะต้องอาศัยคําบริกรรมมาช่วยเสริมหรือเปลี่ยนจากลมมาเป็นคําบริกรรมก่อนหรือการสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก่อนเพื่อเป็นการกล่อมใจ เพื่อเป็นการดึงใจไม่ให้ลอยไปตามเรื่องราวต่างๆถ้าสวดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกใจเบาใจสบายใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นอย่างนี้จะหยุดสวดแล้วหันมาดูลมหายใจเข้าออกต่อไปก็ได้หรือจะสวดไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ เป็นเอกขกะตาุมเป็นอุเบกขาเป็นสุขอย่างมากเป็นสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่คือการสร้างสติขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขทางใจที่เรียกว่านัตติสันติราลังสุขขงังความสุขที่เกิดจากความสงบ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายถ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้วความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายนี้จะไม่มีความหมายต่อจิตใจนั้นจะไม่อยากจะได้ความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอีกต่อไปเพราะความสุขนั้นมันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินนั่นเอง เหมือนเพชรกับก้อนหินถ้ามีเพชรแล้วยก็จะไม่สนใจกับก้อนหินเพราะคุณค่าราคามันต่างกันมากฉะนด้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็เหนือความสุขทั้งหลายทา ง, งตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายพอได้พบกับความสุขอันนี้แล้วก็อยากจะให้ความสุขอันนี้ แผ่กว้างไปเรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้จากสมาธิในเบื้องต้นนี้จะอยู่ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาแล้วความสุขนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าไม่รักษาด้วยการเจริญสติหรือด้วยการเจริญปัญญาซึ่งในเบื้องต้นนี้ ก็อาจจะไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาเพราะกำลังคืออินทรีย์ที่จะมาควบคุมใจนี้ยังมีไม่ไม่มีกำลังมากพอส่วนใหญ่พอออกจากสมาธิมาแล้วก็มักจะปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆแล้วความสุขต่างๆความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะหายไป พอหายไปก็เกิดความอยากจะได้ความสุขนั้นกลับคืนมาก็จำเป็นจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือการจรลานสติใหม่รานสติไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะเข้าสู่ความสงบได้ใหม่ในเบื้องต้นก็จะเป็นการฝึกทำสมาธิไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีความชำนาญ ที่จะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาออกจากสมาธิมาก็อยากจะขยับขึ้นสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาเพราะการปฏิบัติขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสสนานี้ จะรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิให้อยู่อย่างยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเพราะปัญญาจะเข้าไปทำลายต้นเหตุที่ทาที่มาทำลายความสงบที่ได้จากการเจริญสติจากการนั่งสมาธินั่นเองสิ่งที่จะมาทำลายความ สงบความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็คือตัณหาความอยากต่างๆอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงค้นพบความรู้อันนี้ก่อนหน้านั้นผู้บําเพ็ญนี้จะสามารถบําเพ็ญเจริญสติจ น, จนจิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ชาญระดับต่างๆแต่พอออกจาก สมาธิมาแล้วก็ไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องความความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะจางหายไปแล้วถ้าต้องการความสุขความสงบนั้นอีกก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ต้องเจริญสติใหม่พระพุทธเจ้าจึงพยายามคนคิดหาวิธีว่าทําอย่างไร ที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธินี้ให้อยู่ยั่งยืนต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วทรงไปศึกษากับผ้าอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะรักษาความสุขความสงบจากของสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิาอ้อเลยต้องเป็นผู้ค้นคว้าศึกษา หาด้วยตนเองจนในที่สุดก็ท่งค้นพบเหตุที่มาทาลายความสุขความสงบที่ได้จากสมาธิก็คือตัณหาความอยากต่างๆทรงสังเกตว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลภาพฑความสงบสุขนั้นก็จะหายไปอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เรา อ, อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความสงบความสุขความนิ่งของใจก็จะหายไปใจก็จะกระเพิ่มขึ้นมาใจก็จะเริ่มปันป่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาต้าองจึงทร ง, ทรงเห็นว่าสิ่งที่มาทําลายความสงบความสุขที่ได้จากความอยากสมาธินี้ก็คือตันหาความอยากทั้งสามนั่นเอง คือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถพภะภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้อยากไม่มีแต่การอยู่ในโลกนี้ใจจำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆ และจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสไปถ้ามีความอยากให้สิ่งต่างๆที่ได้นั้นคงอยู่ต่อไปเวลาสิ่งต่างๆนั้นสูญไปก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความกาังวลกาังวายใจขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีเกิดก็ต้องมีดับ มีขึ้นก็ต้องมีลงมีดีก็ต้องมีไม่ดีสลับกันไปจะให้เป็นไปตามความอยากเสมอไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เวลาเกิดความอยากให้เป็นไปตามความอยากใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าหยุดความอยากได้ปล่อยให้เป็นไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาอยู่กับความเป็นจริงของเขาจะดีจะชั่วจะถูก จะสุขจะทุกข์ก็อยู่กับเขาไปใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบใจก็ยังจะมีความสุขเหมือนขณะที่เข้าไปในสมาธินี่คือคำระดับปัญญาการตัดสู้ธรรมก็ตัดสู้ตรงนี้เองตัดสู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเอง ความอยากสามชนิดคือการมาตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหาและการที่จะทําให้ใจนั้นกลับเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องละความอยากทั้งสานี้และทำที่จะมาละความอยากทั้งสามนี้ได้ก็คือปัญญาคือการเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวไม่มีตนว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามว่าอาหารการกินต่างๆที่เราหลงหลคขัางไครนี้มันสกรปรกเป็นปฏิกูลเวลาเข้าไปในปากแล้วนี้พอไปเคลืยวผสมกับน้ำรา น, นี้แล้วถ้าคลายออกมานี้ก็ไม่อยากจะตักเข้าไปในปากเอง นี่คือวิธีการของการใช้ปัญญามาละลายมาสลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจแต้เห็นสิ่งที่อยากได้ว่าจะต้องเสื่อมไปหมดไปก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็จะเสียอกเสียใจสู้ไม่มีไม่ดีกว่าเลยเมื่อไม่มีก็ต้องก็จะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจ เชถ้าได้ลูกมาแล้วจะต้องเสียลูกไปภายในระยะเวลาอันใกล้เกิดมาได้เดือนสองเดือนแล้วก็ต้องตายไปอย่างนี้สู้ไม่มีลูกไม่ดีกว่าเลยมีแล้วก็ต้องตายไปหรือถ้าลูกที่อยากจะได้นี้เป็นลูกพิกลพิการเป็นโรคสมองเสื่อมอยากจะได้หรือเปล่า ต้องให้คิดอย่างนี้คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายไม่มีใครไปกาหนดได้ว่าร่างกายของลูกที่เราต้องการนี้จะเป็นร่างกายแบบไหนจะสมบูรณ์สมประกอบหรือจะเป็นพิกลพิ ก, การแล้วมาเกิดมาแล้วจะอยู่ไปยาวนานหรือไม่เกิดมาแล้วอาจจะตายไปเพียงในเวลาไม่กี่วันก็ได้นี่คือการคิด ทางอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเสื่อมการดับของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาถ้าคิดอย่างนี้แล้วความอยากได้สิ่งต่างๆมันก็จะหายไปพอความอยากหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขใจที่ได้จากความสงบก็จะกลับคืนมาแล้วถ้าสามารถทำลายความอยากที่ผู่ขึ้นมา ทุกครั้งได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจที่จะมาทาลายความสุขความสงบที่ไดจากการเข้าไปในสมาธิใจก็จะมีความสงบตลอดเวลาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิอีกต่อไปอยู่ตามภาวะปกติของใจนี้ก็มีความสุขไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกริ้นกายได้โดยไม่มีความอยากมาเกี่ยวข้องการรับรู้สิ่งต่างๆก็จะรับรู้ด้วยใจที่เย็นที่สบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับการรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะดีหรือไม่ดีจะเจริญหรือจะเสื่อมก็จะไม่เป็นปัญหากับใจ พอใจไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆที่มารับรู้นั่นเองปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปาตามสภาพของเขานี่คือการปฏิบัติระดับวิปัสสนาหรือระดับปัญญาผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาคือพิจารณาใจรักษ์อยู่เรื่อยๆพิจารณาความแม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่าง พิจารณาความไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปสั่งให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปพิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าถ้าอยากได้แล้วจะได้ความสุขมาความจริงอยากแล้วนั้นกลับได้ความทุกข์มาเพราะความสงบที่ได้จาก การนั่งสมาธิก็จะหายไปแล้วมาแทนที่ก็คือความกังวลกังวายความกระสับกระส่ายความกังวลความวิตกต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆมองทุกสิ่งทุกอย่างต้องมองตอนว่าเขาจะต้องมีวันสิ้นสุดมองร่างกายของใครก็ต้องมองว่าสักวันหนึ่งเขาต้องตายไป มองร่างกายของเราก็ต้องมองว่ามันสักวันหนึ่งก็ต้องตายไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่มีใครมาห้ามมันได้ต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนหมอเก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามความตายได้ถ้าเห็นความจริงเหล่านี้ก็จะทำลายความอยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ตายได้ พอไม่มีความอยากไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายได้อย่างสบายเพราะความจริงใจก็ไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่อย่างใดนี่คือการใช้ปัญญาที่พระตถาจ้าได้ทรงค้นพบคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะถ้ายัง ถ้าใจยังมีความใคร่ความรักในร่างกายของผู้อื่นอยู่ก็จําเป็นที่จะต้องดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายของบุคคลที่ใจมีความรักความใคร่ด้วยเพื่อที่จะได้ทำลายความอยากอยากที่จะร่วมหลับนอนอยากจะร่วมเสพความสุขกับร่างกายอันนั้นต้องเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายนั้นความอยาก ในการอารมณ์ก็จะสลายไปถ้าอยากจะรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ได้รับประทานแบบรับประทานยาก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาดูสภาพของความสกปรกหรือความไม่ได้ไม่น่าดูของอาหารอาหารที่เข้าไปในปากแล้วเป็นอย่างไรที่อยู่ในท้องแล้วเป็นอย่างไร ที่ถ่ายออกมาแล้วเป็นอย่างไรให้ดูอย่างนั้นแล้วความอยากจะรับประทานอาหารนอกกรอบเวลาที่เราได้กำหนดไว้ก็จะดับไปได้ชเช่นผู้ที่รักษาศีลแปดจำเป็นที่จะต้องงดการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่ใจนี้มันยังไม่ยอมหยุดมันยังอยากอยู่เพาะตกเย็นเคยรับประทานอาหารอยู่เป็น ประจำพอตกเย็นก็จะคิดถึงอาหารก็มักจะคิดถึงอาหารที่มีอยู่ในจานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็ต้องให้คิดไปถึงอาหารที่อยู่ในปากที่เคี้ยวผสมกับน้ำลายหรือที่อยู่เข้าไปในท้องเวลาคายออกมาเวลาเจนออกมาเนี่ยังน่ารับประทานอยู่หรือไม่ถ้าคิดถึงภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานไม่น่าดู ที่สกปกก็จะไม่อยากจะรับประทานก็สามารถระ ง, งับความอยากรับประทานอาหารนากเวลาได้นี่คือปัญญาชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะทำลายตัญหาความอยากที่จะมาสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายให้แก่จิตใจนี้ให้หายไปให้หมดเพราะถ้าไม่มีตัญหา หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจนี้จะสงบตลอดเวลาจะมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องมีสติมาคอยควบคุมใจเพราะใจไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้ใจนั้นเกิดความอยากขึ้นมาเพราะความอยากต่างๆนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยปัญญา พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะสงบไปท้าวอนเป็นปลังมังสุขัตขังไปตลอดไม่มีวันที่จะต้องมาเกิดอีกต่อไปเพราะตัวที่ดันให้ไปเกิดคือความอยากนั้นมันไม่มีแล้วถ้าเป็นรถยนต์ก็น้ํามันหมดแล้วถ้ามาน้ำมันในถังหมดแล้วนี่รถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้อีกต่อไป ใจที่ไม่มีน้ำมันแล้วก็ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ต้องก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเออก็ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้ายังมีความอยากอยู่ยังมีน้ำมันอยู่ใจก็จะไปต่อพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ยังไม่เข็ดกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะความอยาก ได้ร่างกายมาเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดทพักษ์ยังมีอยู่ภายในใจมันก็จะดันใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาทุกขกับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกกับการดูแลรักษาร่างกายมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับความอยากต่างๆที่ใจไปส่งเสริม ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทําตามความอยากนี้ความอยากจะมีต่อไปจะมีเพิ่มมากขึ้นไปวิธีที่จะกําจัดความอยากก็คือต้องไม่ทําตามความอยากเหมือนกับน้ำมันในรถวิธีที่จะทาให้น้ำมันมันหมดก็คืออย่าไปเติมน้ำมันถ้าไม่เติมน้ำมันแล้ววิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ามันมันก็จะหมดหมดน้ํามันก็จะวิ่งไปไม่ได้ แต่ถ้าพอวิ่งไปพอเห็นปั๊มน้ามันก็จอดว่าเติมน้ามันก็เหมือนกับเวลาเกิดความอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ไปทำตามความอยากนั้นความอยากนั้นมันก็จะไม่ตายไปไม่หมดไปพอได้สิ่งนี้แล้วมันก็อยากได้สิ่งนั้นต่อได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งโน้นต่อได้ไปได้มากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันหมด จะให้มันหมดได้ก็ต้องไม่ทำตามความอยากจะไม่ทำตามความอยากได้ก็ um. ต้องมีทมไว้ต่อสู้กับความอยากก็คือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมถ้ามีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมก็จะสามารถต่อสู้กับความอยากฝื้นความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ความอยากสั่งให้รับประทานอาหารนอกเวลา เช่นให้รับประทานอาหารเย็นก็จะไม่รับประทานจะใช้อ า, อาหารเลยปฏิกูลสัญญามาสู้กับมันถ้าอยากจะให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ใช้อสุภะกรรมฐานเข้ามาสู้กับมันถ้ามีอสุภะแล้วจะไม่อยากนอนกับใครถ้าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นซากศพจะอยากนอนไหมถ้าแฟนของเราตายไปในวันนี้เรายังจะเก็บเขาไว้ในห้องนอนคืนนี้หรือไม่ เลยจะรีบยกไปให้วัดทันทีก่อนหน้านั้นหัวงแทบเป็นแทบตายใครมาแย่งนี้ต้องถึงกับค่ากันตายเลยแต่พอเขาไม่หายใจเท่านั้นแหละไม่เอาแล้วไปเลยก็อยากได้ยกให้เลยยกให้ฟรีๆด้วยนั่นแหละให้คิดถึงความตายคิดถึงซากศพบ้างร่างกายของพวกเราทุกค น, นในนายที่สุดมันก็จะไม่หายใจ เวลามไม่หายใจแล้วมีใครปราถนาบ้างไหมมีใครอยากจะเก็บเอาไว้บ้างไหมไม่มีนอกจากคนบ้าเท่านั้นเองหรือคนที่แสวงผลประโยชน์จากสร้างศพเช่นครูบาอาจารย์ตายไปก็ไม่ยอมเผาไม่ยอมให้ใครไปขอเก็บไว้เป็นเครื่องดึงดูดศรัทธาให้มาทำบุญต่อไปกลัวว่าไม่มีร่างกายของครูบาอาจารย์แล้วจะไม่มีใครเข้าวัดเมื่อไม่มีคนเข้าวัดก็ไม่มีรายได้ ถ้าครูบาอาจารย์นี้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครศรัทธานี้ตายไปมีใครอยากจะเก็บไว้ไม่มีใครแล้วเอาไปเผาทิ้งดีกว่าที่อยากจะให้เก็บไว้ใส่โรงแก้วไว้เพื่อจะได้เป็นเเป็นหมือนกับเป็นแผ่นโฆษณาให้คนได้อเข้ามาหาวัดเข้ามาหาตัวท่านถึงแม้ท่านตายไปแล้วแต่ขอให้ได้เห็นท่านนอนอยู่ในโรงศพก็ยังมากันอยู่ เมื่อมาก็ต้องมาทําบุญกันทาบุญการใครเป็นคนได้รับประโยชน์ก็พวกทุนพวกที่ดูแลวัดวานั่นแหละที่จะได้รับประโยชน์จึงมีการถกเถียงกันเวลาตายไปบางทีครูบาอาจารย์ถึงต้องสั่งไว้ก่อนว่าตายแล้วต้องเก็บยาเก็บไว้นานสามวันเจ็ดวันให้เผาเลยถ้าไม่ชนนแล้วบางทีก็ไม่ยอมเผากันเก็บไว้กันเป็นปี เก็บไว้ไปตลอดเพราะจะได้มีรายได้เข้าวัดมีคนเข้าวัดอยู่เรื่อยๆแต่นี่เป็นเรื่องของเกิเลตตันหาการที่อยากจะได้รายได้จากราสร้างศพแต่ถ้าเราไม่มีเกเลตตันหาอยากได้รายได้จากราสร้างศพของแฟนเหล่านี้เวลาตายไปเราไม่ได้รายได้จากราสร้างศพของแฟนเราเราก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไม ก็ยกให้สัปเปล่อไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะมาทดแทนความสุขที่ชั่วพราวที่พวกเราเอาศัยกันอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้พวกเรายังอาศัยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่แต่เราต้องคำนึงถึงว่าเวลาผ่านไปผ่านไป ความสามารถที่จะหาความสุขเหล่านี้ผ่านทางร่างกายมันก็จะด้อยลงไปจะน้อยลงไปตามลาดับแล้วมันจะต้องถึงวันที่มีการสิ้นสุดลงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงฉันใดความสุขทางตาหูจะบุกลุ่นกายก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราไม่มีความสุขมาทดแทนความสุขเหล่านี้เวลาที่ร่างกายหมดสภาพ ที่ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ใจของเราก็จะทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากแต่ถ้าเรามีความสุขทดแทนคือความสุขที่เกิดจากการบาเพ็ญจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าความสุขของทางร่างกายมาทดแทน แล้วก็จะอยู่กับเราไปตลอดทำให้เราไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปนั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านเป็นอย่างนั้นท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่มีความทุกข์พอทรงตัดไว้ ว, ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็น ม, มหาราชามหาจากักรพรรดิเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรททมนตีก็ยังจะต้องพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั้นอยู่ดีต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถึงจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจึงขอให้พวกเราจงตั้งมั่นอยู่กับศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้า และพยายามปลุกความเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เพื่อผลักดันจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขของทางจิตใจเพื่อที่เราจะได้ไม่เดือดร้อนกับการแก่กับการเจ็บกับการตายของร่างกายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยาถาวารวาหาปุราปาริปุรเรินติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาอุปกับปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิด ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุรเรินตุสังกปาจันโทปนาระโสยาธามณิโชติ ระโสยะาสพิตโยวิวาจันตุสัพรโรโววินสศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมาวะทานติอายุวนโนสุขัง ลำล า, าลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะผู้ฟังจะได้ฟังทั้งคำถามและคำตอบได้อย่างชัดเจนแล้วถ้าปิดไม่แล้วก็จะไม่ขอตอบอีกต่อไป ตอนนี้เปิดไม่จะตอบให้อย่างเต็มที่พอปิดไม่แล้วก็จบถ้าอยากจะถามก็ต้องรอให้เปิดไม่ในอาทิตย์หน้าก่อนอันนี้ไม่เรียกว่าเล่นตัวแล้วยคือมันต้องมีกฎกติกามีกรอบมีเวลาไม่งั้นตายอื ่ากใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรถามปัญหาที่ทางบ้านถามมาคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณปิยะผมภาวนาพัฒนาขึ้นกว่าเดิมจิตใจเฉยเป็นแบบนี้อยู่หกวันเป็นผลมาจากผมไปพิจารณาทุกที่ใจมันไปยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มาสัมผัส วิธีการคือสาวไปหาเหตุผลของเรื่องนี้ทบไปทบมาพอเข้าใจทุกขมันก็เบาบางลงแต่ไม่ดับครับทำแบบนี้ไปเรื่อยแม้ไม่จัดอยู่ในสมาธิตามตำราแต่พิจารณาหาเหตุของทุกข์ที่ใจแล้วใจเบาทุกน้อยสุกน้อยถึงฝั่งด้วยกันช้าเร็วเท่านั้น ปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนไปจากเดิมมากครับจึงขอความเมตตาว่าถ้าผมจะก้าวเดินไปแบบนี้ผิดไหมครับหรือมีทำข้อใดที่ผมจะพัฒนาใจให้ดีขึ้นตามลําดับครับก็ต้องพยายามดับความทุกข์ให้ได้อย่างสิ้นเชิงการจะดับความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ก็ต้องละความอยากให้ได้เต็มที่ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยาก ถ้าเรายังไม่สามารถละความอยากให้หมดไปความทุกข์ก็ยังจะไม่หมดไปถ้าเราไม่ได้ไม่สามารถละความอยากได้เราก็ต้องมาคิดดูว่าเราขาดอะไรเราขาดปัญญาหรือเราขาดสมาธิเพราะมันต้องมีทั้งสองส่วนเพราะปัญญานี่มันมีสองแบบ ปัญญาที่ตัดความอยากได้กับปัญญาที่ตัดความอยากไม่ได้ความอยากที่ปัญญาที่ตัดความอยากไม่ได้ก็คือสุตมะยปัญญากับจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือปัญญาที่เกิดจากการคิดค้นอย่างที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้มันยังไม่สามารถละความอยากได้อย่างเต็มที่ ถ้าอยากจะละความอยากได้อย่างถาวรนี้ต้องใช้ภาวนามายปัญญาก็คือต้องมีปัญญาที่เกิดจากความคิดจากการได้ยินได้ฟังสนับสนุนด้วยการภาวนาคือส ม, มถาภาวนาคือใจใจจะต้องมีอุเบขามีความสงบถึงจะสามารถละความอยากได้อย่างเต็มที่ถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญา เราเห็นไตรลักษณ์เรารู้ไตรลักษณ์เราเห็นอสุภาพแต่พอถึงเวลาจะดับตันหาความอยากเราไม่มีกำลังก็แสดงว่าเราขาดสมถะภาวนาเราต้องทำสมถะภาวนาทำจิตให้รวมเป็นเอกขัตตารลมสัต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถ้าเรามีใจที่สงบมั่นคงเราก็จะพอปัญญาบอกให้ละความอยากตัวนี้ เราก็จะละได้อย่าง เ, าเต็มที่ถอนรากถอนโคนได้เลยปัญญาที่ได้จากสุตตะการได้ยินได้ฟังกับปัญญาที่ค่ายควรนี้ก็จะละได้ก็เป็นพักๆแต่ไม่ถึงกับถอนรากถอนโคนเวลาเรานึกถึงปัญญานึกถึงอสุภะกามารมรณมก็จะดับได้แต่พอเราเผอเดี๋ยวมันก็กลับโผล่ขึ้นมาได้ พอใจมันยังหิวอยู่ใจยังมีความอยากแต่ถ้าใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งนี้ใจจะไม่มีความหิวความอยากพอใช้ปัญญาก็จะสามารถทําลายความหิวความอยากได้อย่างถาวรดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญภาวนาเมายัปัญญาขึ้นมาให้ได้สูตรตามมยัปัญญาจินตามเมยัปัญญานี้พวกเรามีกันทั้งนั้น เราได้ฟังเทศฟังธรรมกันมาจนหูฉีกแล้วธรรมะเราก็คิดกันอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ยังละตันหาความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเรายัางจิตเรายัางไม่รวมยังไม่ได้อุบเบกขายังไม่ได้ <c oughs> ความอิ่มเอิบใจไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบคือนัตถิสันติปรังสุขขังถ้าได้ความสุข จากความสงบแล้วตันหาต่างๆนี้เบ้อพอบอกให้ละปั๊บจะละได้เลยคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรกความอยากใช่ธรรมะหรือเปล่าครับความอยากใช่ธรรมะหรือเปล่าเป็นยังไงธรรมะคือธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือความถูกต้องดีงามถ้าถามว่าความอยากนี้เป็นความถูกต้องดีงามหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ ความอยากนี้เป็นเป็นกิเลสเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนอกจากความอยากที่จะทำลายความอยากนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความอยากที่เป็นธรรมถ้าอยากจะฆากิเลสนี่ถือว่าเป็นความอยากที่ดีความอยากปฏิบัติธรรมอยากจะรักษาศีลอยากจะทำทานอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมนี้เรียกว่าเป็นความอยาก ที่ดีก็จะมาทําลายความอยากที่ไม่ดีให้หมดไปจากใจข้อที่2การเจริญสมถะถึงขั้นจิตเป็นหนึ่งแล้วต่อจากจิตเป็นหนึ่งแล้วเป็นยังไงต่อครับก็เวลาจิตเป็นหนึ่งจิตก็จะมีความสุขมากเหมือนได้ไปถึงพระนิพพาน เ, เป็นพระนิพพานชั่วขา่าวคือประะมังสุขขังอยู่ชั่วขา่าว กพราะกำลังที่กดจิตให้อยู่ในความสงบนี้มันมีจํากัดเหมือนกับน้ํามันรถที่เราเติมพอเราเติมน้ํามันรถเราก็วิ่งไปได้มาไหนได้เต็มที่แต่ไม่นานเดี๋ยวน้ํามันก็ต้องหมดพอน้ำมันหมดรถก็ต้องจอดอันใดสติคือกําลังที่ดันใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ก็มีมีขอบเขตพอ ดันเข้าไปได้สักระยะหนึ่งมันก็หมดกำลังพอหมดกำลังตันหาความอยากที่ดันอยากจะดันจิตให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดันจิตให้ออกมาความสุขในสมาธิเลยไม่ได้ถาวรเหมือนความสุขของพระนิพพานถ้าอยากจะให้ความสุขของสมาธิถาวรพอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญามา ถ้ากิเลสที่ดันจิตให้ออกมาไปสู่ความอยากต่างๆด้วยปัญญาถ้าปัญญาสามารถมากําจัดทำลายความอยากที่คอยผลักดันใจให้ไปหาสิ่งต่างๆได้ก็จะไม่มีตัวดันให้ใจต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะนั่งอยู่ในความสงบทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะตัวที่ คอยปั่นป่วนใจนั้นได้ถูกทำลายด้วยปัญญาไปแล้วนั่นเองข้อที่3หนูมีปัญหาการ ม, มาราคะแต่ไม่มีคู่กรณีคือไม่ได้หลงรักชอบใครจึงไม่รู้จะพิจารณาอสุภะกับใครแต่มันรู้สึกถึงอารมณ์ที่มีความกำหนัดอยู่กรณีนี้หนูจะพิจารณาอย่างไรคะการมีการอารมณ์นี้ก็แสดงว่ามันมีความอยาก ในร่างกายที่สวยๆงามๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของใครก็พิจารณาร่างกายแบบไม่มีชื่อไม่มีหน้าไม่มีตาก็ได้ไม่ต้องเป็นของใครก็ได้ของร่างกายทั่วๆไปก็ได้พราร่างกายทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่สวยไม่งามทั้งนั้นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไปให้นึกถึงเวลาในที่เขาไม่น่าดู อย่าไปนึกถึงตอนที่เวลาเข้าเสริมสวยเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางหรือเครื่องอะไรต่างๆให้นึกถึงตอนที่เขาเพิ่งตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาคีตายังติดอยู่ผอมเพ้าไม่ได้หวีหรือเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเขาตายไปแล้วถ้าเราไปคารวะศพเขาได้ ไปดูศพเขาดูเขาเวลาที่เขาตายแล้วเป็นอย่างไรให้นึกถึงภาพด้านนั้นบ้างเป็นร่างกายอันเดียวกันแต่เรามักจะมองเห็นร่างกายเ อ, ก, อกแบบหนึ่งคือร่างกายที่สวยที่งามเพราะว่าเวลาเราออกจากบ้านนี้เราต้องอเราต้องเสริมสวยเสริมความงามก่อนก่อนที่เราจะออกจากบ้านกันงนั้นเวลาเราเจอหน้ากันเราึงมักจะเห็นส่วนที่ดีของร่างกาย เราเไม่ได้เห็นส่วนที่ไม่ดีของไม่น่าดูของร่างกายก็ทําให้เราเกิดการมารุมขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องพยายามเนลึกถึงส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายบ้างหรือมองเข้าไปส่วนที่ถูกปกปิดด้วยผิวหนังด้วยเนื้อก็ได้มองเวลาถ้ า, าผ่าออกมาดูเห <c oughs> ็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ร่างกายเราก็จะได้มองเห็น ส่วนที่ไม่ได้ดูก็จะทำให้การอารมณ์นั้นดับไปได้คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อที่หนึ่งการรักษาสีนแปดกระผมลองรักษาสีนแปดจากวันแรกทานสองมือ้อพอวันที่สามสี่ทานเพียงมื้อเดียวดื่มน้ำชาก็ลดน้ำชาลง เครื่องดื่มอื่นๆก็ลดลงเช่นเดียวกันเพราะได้อุบายจากพระอาจารย์ว่าเป็นยาพิษคือความอยากแต่จะทานบ้างตามเหตุเช่นเขาซื้อมาฝากเป็นน้ำหรือช็อกโกแลตแต่รู้สึกว่าทานน้ำเปล่าเฉยๆจะไม่หิวมากกว่าแล้วแต่บางวันทำเกือบสองอาทิตย์ทีนี้เมื่อวานเพิ่งกล่าวคำอธิษฐานอุโบสถปัจเจเวกองอุโบสถ เพื่อให้ความตั้งใจขึ้นเคยได้ยินมาว่าหากก้าวล่วงจะบาปหรือถ้าเราไม่เจตนาแล้วไปผิดอย่างนี้มีผลเป็นบาปไหมครับคือการที่เราไปาสมาทานหรือไปอธิษฐานที่จะรักษาศีลต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มันเป็นการเหมือนกับ บังคับใจให้ของเรานั้นมีความระมัดระวังและมีความแน่วแน่ต่อการรักษาศีลเพราะอย่างน้อยมีมีศักขีพยานทำให้เราอาจจะอับอายขายหน้าถ้าเราไม่สามารถรักษาสิ่งที่เราตั้งใจไว้จะรักษาได้แต่มันก็ไม่มีผลว่าจะทำให้เราบาปมากหรือบาปน้อยถ้าเราทำบาป มันก็บาปเหมือนกันจะไปขอศีลต่อหน้าพระประธานหรือไม่ก็ตามถ้าทำผิดศีลข้อ น, นั้นมันก็บาปเท่ากันเพียงแต่ว่าการที่เราไปสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปหรือต่อพระภิกษุสงฆ์นี่อาจจะเป็นเหมือนกับว่าจะให้มีสักขีปยานทำให้มาทำให้เราต้องมีความระมัดระวังและมีความแน่วแน่ต่อการรักษาศีล มันเป็นอุบายที่จะบังคับให้เร า, เารักษาศีลให้ได้เพราะถ้าเราไม่มีสักขีสักพ ย, พยานเราตั้งจิตของเราขึ้นมาเช้าแ ว, ว่าจะรักษาศีลพอเย็นเดี๋ยวหิวข้าวเย็นก็ล้มลันนาเนนาทแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเรารักษาศีลหรือไม่ี <laughs> มเรารู้คนเดียว <laughs> นั่นก็คืออุบายวิธีการที่จะทาให้เรา สามารถรักษาศีลได้ข้อที่สองบุญและบาปที่พระอาจารย์เทศว่าเหมือนหนังจะฉายจนหมดหม้วนจนบาปบุญหมดกระผมได้เป็นกระผมทำได้เป็นบางช่วงหนังที่เรียกว่าสัญญามันจะมาปรากฏเช่นหลับฝันไปครั้งหนึ่งว่าได้ผีศีลมันไหลไปตามร่องกรรม เพราะความเคยชินพอตื่นขึ้นมาจะดีใจมากที่ฝันไปก่อนหน้านี้ก็ไปทำสมาธิตัดทำอสุภะทำภาพในใจให้หายแต่มานึกย้อนดูถึงความไม่อยากและความอยากนี่แหละมันเป็นภัยเหมือนจิตจะไปทราบว่าการทำลายนี้ไม่ดีในขั้นนี้ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรครับคือเรื่องของผลของบุญของบาปนี่เราไปทำลายมันไม่ได้ มันจะต้องส่งผลไปตามวาระของมันสิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าไปทำบาปหรือถ้าเราไม่อยากได้ผลบุญก็อย่าไปทำบุญเพราะว่าเมื่อทำแล้วมันก็ต้องมีผลตามมาแล้วมันจะมาแบบไหนเวลาใดานี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ข้อที่สามการเห็นอสุภะที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ทั้งที่มาเองในสมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเห็นศพนอนอืดพอพิจารณาเผาทิ้งแล้วมันก็ศพก็กลับตั้งขึ้นใหม่อีกและจากการออกไปข้างนอกเห็นผู้คนของสวยงามแต่พิจารณาอาสุพะพอกลับมาลองนั่งหลับตาปุ๊บก็เห็นเนื้อแดงแมีความเปื่อยและในตอนสวดมนต์เห็นจากภายในร่างกายเรา ออกไปข้างนอกบ่อยๆอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับก็เป็นเป็นการเตรียมไฟเตรียมน้ําไว้ดับไฟแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเพราะไฟยังไม่เกิดเช่นเราไปเตรียมเครื่องดับไฟไว้ตั้งไว้ตามจุดต่างๆในบ้านแต่เครื่องดับเพลิงจะวิเศษขนาดไหนแต่ถ้ายังไม่มีไฟมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ต้องรอให้มันไฟลุกขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นคุณค่าของเครื่องดับไฟเช่เราเตรียมพิจารณาอาสุภะอยู่เรื่อยๆ น, นี้ก็เป็นเหมือนกับการเตรียมอาวุธเตรียมน้ําดับไฟเราต้องรอให้ไฟมันร้อนขึ้นมาจากกามรมลลมกามราคาแล้วเราเอาเอาสุภะนี่มาดับมันถ้าดับมันได้ใจก็จะกลับมาเป็นปกติจะเย็นจะสบายดัยงนั้นทางที่เรา เห็นอสุภพนี้ไม่ได้หมายความว่าเราบรรลุหรืออะไรนะเราเพียงแต่มีอาวุธไว้คอยต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่จะมาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราแต่ถ้าพอข้าศึกศัตรูมาแทนที่เราจะใช้อาวุธเรากับยกธงขาวยอมมันทำตามที่มันสั่งนั้นเห็นอสุภะแบบนั้นเห็นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้วไม่เอามาใช้ทำลายข้าศึกศัตรูพอข้าศึกศัตรูมาก็ไปกับข้าศึกเลยชวนให้ไปหนับนอนก็ไปกับมันเลยแทนที่จะสู้กับมันมข้อที่สเวลานั่งสติเผลอไปคิดไปปรุงหรือมีสัญญาขึ้นมาเราก็พิจารณาดูใจตนเองเช่นสัญญาสังขารปรากฏอุปมาเหมือนวิทย์น้ำในศสตร์ เห็นหางปลาย้อนกลับมาที่ต้นเหตุจับที่หัวปลาที่ใจเกิดดับเกิดดับทําไปแล้วมันก็มีความสุขแต่ปลามีเยอะมากอย่างนี้กระผมควรพิจารณาสลับกับพุโทโธอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าจะทําใจให้สงบนี้ไม่ควรพิจารณาควรจะเกาะติดอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวถ้าเราไปพิจารณานี้มันก็ทําให้ใจปรุงแต่งไปเรื่อยๆ ใจก็จะไม่มีวันเข้าสู่ความสงบได้ถ้าจะพิจารณานี้ไว้รอวาระที่เราเข้าสู่ระดับวิปัสสนาหรือปัญญาแล้วค่อยพิจารณาจะดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าเพราะถ้ามาพิจารณาช่วงที่เราทำใจให้สงบนี้มันเป็นจะกลายเป็นนิวรนไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้อย่างนั้นอย่าถูกกลนของกิเลสนลอกเรา พอเราพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเดี๋ยวพอมีอะไรปรากฏขึ้นมามันก็หลอกให้เราไปพิจารณา อ, อให้หลอกให้เราไปคิดปรุงแต่งนั่งไปนานเท่าไหร่จิตก็ไม่รวมทักทีเนี่ยต้องระวังไว้ถ้าเราอยู่ในขั้นของสมาธินี้อย่าเพึ่งไปพิจารณาให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธหรืออสุภะหรืออะไรให้อยู่อย่างนั้นแล้วอย่าไปพิจารณาอะไรทั้งนั้น ให้มันรวมก่อนรวมแล้วออกมาแล้วเทนี้อยากจะพิจรารณาอะไรก็พิจรารณาได้ข้อที่ห้าเวลามีคนมาเอาเปรียบเรามากๆใจกระผมมันไม่ได้เป็นทุกข์ด้านวัตถุสิ่งของแต่ใจมันคิดไปว่าเขาเอาเปรียบเราได้มากขนาดนี้เลยเช่นในความเป็นจริงราคาของหนึ่งร้อยบาทแต่เขามาบอกเราว่าราคาหนึ่งพันบาท พอมันมารู้ทีหลังใจมันเป็นทุกข์กระผมเลยไปสวดมนต์และแผ่เมตตาให้เขาทำอย่างนี้ถูกไหมครับและคิดว่าการที่เราโดนเอาเปรียบก็คิดว่าชดใช้กรรมให้เขาไปและเงินที่จ่ายไปก็คิดว่าเป็นค่าซื้อความรู้คิดแบบนี้ถูกไหมครับถ้าคิดแล้วทำให้เราไม่โกรธเกลียดเขาก็ใช้ได้ถ้าเราให้อภัยเขาไม่มีปัญหากับเขาก็ใช้ได้ คำถามต่อไปจากคุณวารินข้อที่หนึ่งสุวิปั ส, สโกกับปฏิสามพิทัพปโตเราสามารถเลือกปฏิบัติได้เองหรือต้องอาศัยภูมิเดิมมาก่อนคือมาถามผิดที่แล้วต้องไปถามด็อกเตอร์กูเกิลข้อที่สอง การเข้าถึงพระอนาคามีและพระอหรหันต์เป็นอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรต้องปฏิบัติดูถึงอย่า้คำถามต่อไปจากคุณซาล่าที่มีคนเขียนข้อความว่าส่วนบุญเมื่อคุณพูดออกมาว่าจะไปทำบุญเจ้ากรรมนายเวหรือเหล่าสามพระเวสีต่างๆเขาได้ยิน เขาดีใจเขาหวังยิ่งที่จะรอรับส่วนบุญกุศลจากการอุทิศกรวดน้ำของคุณหากคุณพูดแล้วแต่เปลี่ยนใจไม่ทำเขาจะโกรธผูกพยาบาทอาฆาตสาบแช่งแม้บางทีอาจส่งผลให้คุณถึงขั้นชิบหายโดยยากยิ่งนักที่จะอโหสิเมื่อคุณคิดและพูดแต่ทำไม่ได้อย่าคิดอย่าพูด คือเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงคะก็มันก็ไม่รู้อะจริงบ้างไม่จริงบ้างคือถ้ามีดวงวิญญาณจริงๆเขารอรับอยู่แล้วเราเหมือนกับไปบอกเขาว่าจะไปทำบุญให้เขาอย่างนี้เราไม่ทาเขาก็เป็นเหมือนคนดีๆนี่แหละที่ถูกหลอกใช่ไหมเขาก็ต้องโกรธเราได้แต่นี้เราจะไปรู้เลยว่ามีดวงวิญญาณมารอรับของหรือเปล่า นอกจากเราฝันหรือนั่งสมาธิแล้วมีดวงวิญญาณเข้ามาหาอย่างคุณแม่แก้วเนี่ยท่านสามารถรับรู้ดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปได้ติดต่อกันได้คุยกันได้เหมือนเราคุยกันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าไปรับปากกับเขาว่าจะทำอะไรให้เขาแล้วไม่ทำมันก็เป็นเหมือนกับการโกหกหลอกลวงก็จะทำให้เขาเสียใจได้เขาก็อาจจะโกรธแค้นโกรธเคืองเราได้เช่นเดียวกัน อันนี้ก็เป็นผู้ในเชิงแง่คิดเท่า น, นั้นนะความเป็นจริงนี่เราไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเพียงแต่เราคิดเฉยๆแล้วจะมีดวงวิญญาณมาคอยรับฟังความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องมีเหตุเช่นเขามาเข้าฝันเราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ไปรับปากเขาในฝันว่า เ, าเจ้าพรุ่งนี้จะใส่บาตรให้ พอเตินขึ้นมาขี้เกียจเตินขี้เกียจไปเขารอรับเขาไม่ได้รับเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมด า, าหมดแล้วเลยอมีใครอยากจะถามมั้เดี๋ยวปิดหม้นะนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เปิดโอกาสให้นะตอนนี้เปิดให้เต็มที่เลยแต่อยากจะถามอะไรถามได้เต็มที่เลยแต่พอปิดไม้ปั๊บมาเลย